เพว่าฝึกสติไว้เพราะว่าเราหัดสุดรู้สึกทีละขณะแต่ถ้รู้ความรู้สึกทีละขณะในปัจจุบันปัจจุบันสังเกตความเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งของสิ่งที่เข้ามากระทบกับตัวเราอยู่ตลอดเวลานะจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัส แล้วก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งใจที่เขาคอยดักวนเวียนอยู่รอบตัวเราเนี่ยนะอยู่ตลอดที่จะถ้าเราไม่มีสติสิ่งเหล่านี้ก็จะพาเราหลงหลงไปหลงไปสู่เป็นอารมณ์อดีตอนาคตไปเป็นความคิดไปเ ล, เลยต้องพยาพยามพยายามฝึกให้มัน ฝกช่วงแรกๆเนี่ยต้องใส่ทั้งเจตนาเจตนากือความตั้งใจตั้งใจที่จะรู้ลงไปด้วยแรกแรกเนี่ยต้องใส่ทั้งเจตนาคือความตั้งใจและต้องใส่ทั้งรูปแบบเข้าไปทั้งเจตนาด้วยเจตนานี่เป็นเรื่องของภายในใจภายในใจเราอ่ะรูปแบบนี่เป็นเรื่อ ง, องภายนอกที่เราใช้สิบสี่จังหวะบ้านนี่ หรือก็จะใช้อะไรก็ตามพุโทโธยุบหนอพองหนอเนี่ยเป็นเรื่องภายนอกเดินชา้าเดินเร็วเนี่ยเป็นเรื่องของภายนอกที่จะปรับปรับให้จิตเนี่ยใช้ทั้ร่างขาษะคือใช้ร่างกายใช้ท่านั่งใช้ร่างกายใช้อาการที่เกิดกับร่างกายเนี่ยจะทำให้ใส่เจตนาลงไปเพื่อจะทำให้จิตเนี่ยปรับมากลับตอรู้เรื่องร่างกายก่อนเนี <Yeah. S 2> ่ยเลยจึงต้องใสทั้งเจตนาใสทั้งรูปแบบ เข้าไปเป็นตัวดึงดึงออกมาให้ออ ก, าาก็ออกมาจากออกมาจากความสนใจเก่าๆเดิมๆที่เราเคยชินเนี่ยเคยชินกับความคิดและอารมณ์นี่คือความฝึกๆเดิมๆนะเราเลยมาฝึกอย่างนี้เราเลยใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีไม่มีคำบริกรรมไม่มีภาษาไม่มีบัญญัติแต่มีอาการรับรู้ทีละขณะไปทีละขณะไป แต่เราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเกิดสตินะเกิดสติเนี่ยมันจะมีลักษณะของทีละสัญญาทีละสัญญาคือรู้สึกทีละขณะทีละขณะทีละกับลักษณะถ้ามีสตินะมันจะจําลักษณะตรงนี้ได้ว่าหนึ่งมันทีละขณะสองมันจําลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นได้อันเนี้ยท่าคนไหนรู้สึกลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทีละขณะ หมืออย่างตอนเนี้ยเราสามารถที่จะจําเสียงทีละขณะทีละขณะขและลักษณะของเสียงได้ไอันเนี้ยก็จะทําให้เกิดสติขึ้นมาเกิดสติขึ้นมาหรือเราเคลื่อนไหวอยู่ตอนเนี้ยสัมผัสอาการเคลื่อนไหวทีละขณะและ้วจลาลักษณะของการเคลื่อนไหวได้นี่ก็จะทําให้เกิดสติขึ้นมาเเคลื่อ น, น, น, น, นไหวทีละขณะกับจําลักษณะการเคลื่อนไหว ยุทีละขณะและจำรักษามการหยุดได้นี่กระทบทีลักษณะแล้วประจํารักษามการกระทบได้หนักเบาทีละขณะและจําลักษณะของหนักเบาได้อันนี้คือจะทําให้เกิดสติรเวลาเราเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นไปกระทบพื้นทีละขณะและจําลักษณะของการกระทบแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวได้นี่นี่เป็นการรักษามการฝึกสตินะฝึกสติให้รู้สึกทีละขณะแล้วก็หัดจําลักษณะ เราก็จะไล่ไปเรื่อยๆอาการทางกายเดี๋ยวเย็นบ้างร้อนบ้างหรือแม้แต่อาการยืนลักษณะของอาการยืนเป็นยังไงเดินลักษณะการเดินเป็นยังไงนั่งลักษณะการนั่งเป็นยังไงตอนเนี้ยเรานั่งอยู่ในลักษณะไหนก็สามารถที่จะมีรู้สึกถึงการขณะนั่งและลักษณะขการนั่งนั่งพับเพียบนั่งสมาธินั่งขาขวาทับขาซ้ายหรือขาซ้ายทับขาขวานี่แล้วก็ลงลึกไปสู่การรู้สึกอีก ตนเบอร์เนี้ยอุ่น ม, มั่งร้อนมั่งเย็นมั่งนิ่มมั่งแข็งมั่งโปวดมั่งเงมื่อยมั่งเป็นเน็บปังอันเนี้ยลงลึกไปสู่การรู้สึกถึงทีลักขณะกับลักษณะของอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายคนไหนเลื่ลึกได้บ่อยบ่อยบ่อ ย, บ, อ ย, บ, อยบ่อยเข้าใจเขาจะเริ่มมาสนใจร่างกายนะแล้วก็จะทิ้งความคิดและอารมณ์ไปเองที่เป็นอดีตอนาคตไม่ต้องไปห้ามมันเหมือนตันเนี้ยใครกําลังง่วงอยู่ก็เห็นลักษณะความง่วงเข้ามาอย่างเงี้ นี่นะมีการฝึกสติเมื่อฝึกสติแล้วในการช่วงแรกเนี่ยเป็นการฝึกพาออกก่อนเลยต้องใช้ใช้ใสเจตนาใส่ความพยายามอืมแล้วใส่วิธีการเข้าไปนะเพื่อจะต้องทำให้เขาหัดออกมาก่อนแต่พอช่วงที่สองเนี่ยเป็นการฝึกศีลแต่ในกระบวนการที่ว่าหนึ่งสองสามอะไรนี่นะมันฝึกหนึ่งก็มีสองมีสาม ฝึกสองก็มีหนึ่งและสามฝึกสามก็จะมีหนึ่งสองสามมันไปด้วยกันกาน ต, ตอนที่สองการฝึกศีลการฝึกศีเนี่ยเป็น ก, การฝึกใช้ความอะไรเรียกว่ามันจะต้องลดลดวิธีการลงลดวิธีการลงวิธีการที่เราสอนไปอ่ะลดลงเช่นวิธีการเดิน สลับไปสลับมาสร้างจังหวะสลับไปสลับมาเนี่ยให้มันลดลงมันใช่ให้อยู่ในบดท่าเดิมจริงเวลาสอนเดินอ่ะพอเดินไปสักพักหนึ่งสักรอบสองรอบแล้วกลับมาท่าเดิมรอบสองรอบแล้วกลับมาท่าเดิมหรือสร้างจังหวะแต่รอบสองรอบแล้วกลับมาสร้างจังหวะท่าเดิมเพื่อให้จิตเขาคุ้นชินกับการอยู่ในท่าเดิมนี่เป็นการหัดให้จิตเ้าหัดคุ้นชินอยู่กับจังหวะเดิมแต่ว่าไอ้ความคุ้นชินอันเนี้ยเขาจะสอดเขาจะค่อยๆรู้สึกทีละขัะ ทีละขณะทีลักขณะไปได้ด้วยไม่เผลอแล้วก็ไม่เพลินแต่ถ้าทําแรกๆปุ๊บอ่ะมันจะไปไหนไม่รู้มันไม่ค่อยอยู่มันจะหลุดไปแล้วความคิดจะเยอะเนี่ยดังั้นตอนที่สองการกองการขับศีลศีล น, นี้จะลดลดเจตนาลดเอรลดวิธีการลงอยู่ในรูปแบบเดิมแล้วดูวันลดแล้วลดความพยายามลงลดเจตนาลงที่จะไม่หนี ไม่หนีอารมณ์และไม่สู้อารมณ์ลดลงแต่จะเป็นการฝึกอดทนฝึกสืก่อมันเพราเราต้องเข้าใจก่อนว่าศีลที่เราจะฝึกเนี่ยศีลมีกี่หมวดศีลเนี่ยมีกี่หมวดที่เรารู้รรอยู่ก็มีแต่ศีลที่เป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดที่เรารู้ใช่ไหมเนี่ย แต่ศีนี้กเดียวปาติโมกข์สังวรศีนคือศีลที่เป็นข้อกฎบัญญัติกฎบัญญัติที่เมื่อเราทําผิดแล้วเนี่ะจะมีข้อกฎบัญญัติตอนนี้เอาไว้ว่าเนี่ยอยะอย่าไปทำํำนะอย่าไปทำํำนะอย่าถ้าทําแล้วมันจะผิดอันนี้ถึงศี น, นหมดหนึ่งนะที่เป็นข้อกฎบัญญัติที่เราเอามาสื่อสารกันเอามาบอกกล่าวกันว่านี่มีห้าขาา้อนะคารวาะถ้าอยู่เป็นถ้าอยู่ถึออยู่วัดถือศีโนโบสถก็มีแปด ถ้าเป็นสามเณรก็มีสนะิบถ้าเป็นทัพพิสุก็มีสองร้อยี่สิบเจ็ดถ้าเป็นพิษุนีก็มากขึ้นนะีอันนี้คือศีลที่ก็เรียกปาจิมุกสังวรศีลีที่เป็นข้อกฎบัญญัตินี่อันหนึ่งนี่ศีลอีกตัวอื่นจะมีอยู่อีกแค่ศีลที่เป็นรูปตรงกันอินทรีย์สังวรอินทรีย์สวรรค์เป็นศีลอะไกันขัดสํารวมสํารวม ตาหูจมูกลิน้นกายแล้วก็ใจนี่เป็นศีลอีกข้อหนึ่งนะนี่เรียกว่าอินทร์สังวรสังวรคือสัมรวมระวังนี่เป็นศีลอีกข้อหนึ่งในในในที่พระเจ้าบัญญัติไว้โดยการมีสติในการเห็นให้มีสติได้ยินให้มีสติได้กลิ่นให้มีสติรับรสให้มีสติผัสจักรงกายให้มีสติเวลามีอารมณ์คิดนึกขึ้นมาก็ให้มีสติ สีลข้อนี้เนี่ยคืออินทรีย์สองวัเนี่ยจะเป็นสี่ในการฝึกสตินะส่วนต่อมาคือสิ่ข้อหนึ่งคือศี่ที่เป็นเกี่ยวกับอ า, อาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพที่ผิดนและสิ่งตวายข้อหนึ่งคือศิ่งเสพปัจปจัยสี่ที่เราสวดพระสวดปฏิสังขายโย่บ่อยๆเนี่ยนี่ก็เป็นศีลอีกข้อหนึ่งที่เราจะกินแต่ละทีเนะี่ยให้พิจารณาก่อนว่า มันสมควรกินไหมจะนุ่งแต่ละทีก็ให้พิจารณาก่อนว่าสมควรนุ่งไหมเ <c oughs> นี่ยแต่กินจะใช้สายเสยนาสนะเนี่ยมันสมควรใช้ไหมตรวจสอบไปก่อนมาเอาใช้เพื่ออะไรแล้วก็จะกินยารักษาโรคกินรักษาโรคอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นศีศอีกข้อนหนึ่งที่เรียกการเสพใช้ปัจจัยสี่ คนส่วนใหญ่เสพใช้ปัจจัยสีแล้วไม่ค่อยมีศีลเพราะเสพใช้ปัจจัยสีเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่รู้ว่าเราเสพใจัจจสี่เพื่ออะไรเช่นเรานุ่งห่มเนี่ยนุ่งห่มเพื่ออะไรการเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานแล้วก็ปิดกั้นอวัยวะอันที่มันให้เกิดความละอายนี่คือการใช้เสื้อผ้าอาหารเหมือนกันไม่ได้กินเพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานมุงเมานะกินเพื่อบรนเทาทุกเนี่ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องสินข้อที่ว่าเนี่คือมันมีสี่ข้อแต่สิ่งที่จะยกยกขึ้นมาสินคือการสํารวมอินทรีย์ที่เราฝึกตรงนี้เป็นสินข้อของการสํารวมอินทรีย์ที่การสํารวมอินทรีย์คือเวลาเห็นปั๊บเนี่ย mm hmm. เวลาได้ยินปุ๊บเนี่ยให้เราหัดรู้สึกให้เกิดภาวะของการตื่นรู้ขึ้นมาโดยใช้เมื่อก่อนอ่ะเรา เราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรปุ๊บอ่ะพอกระทบกับเราปับ๊บเราจะเลยไปคิดเลยใช่ไหมนี่คือเป็นส่วนใหญ่พอเห็นอะไรปุ๊บ ก, ก็เลยไปคิดเลยเห็นอะไรปุ๊บ ก, ก็เลยไปคิดเลยนี่แต่ไอแต่หารู้ไหมว่าไอะบวนการการที่เห็นปุ๊บเนี่ยมันมีกระบวนการตัวรู้ก่อนก่อนที่จะคิดทุกครั้งที่เราเห็นเราได้ยินน่ะมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะเลยกลายไปคิดทีนี้เราชนานาญไปกับการคิดบ่อยๆมันจึงเกิดไม่เกิดการสํารวมอินทรีย์ เห็นเลยคิดได้ยินเลยคิดได้กลิ่นเลยคิดได้รสเลยคิดผาษาทางกายก็เลยเป็นความคิดพอเป็นความคิดปุ๊บใจก็ไม่สมโรมอีกก็ลงไปกับอารมณ์อีกไม่มีการระลึกรู้ขึ้นมาแต่พอเราฝึกสติขึ้นมาปุ๊บอะ่ะมันจะเป็นตัวกั้นระหว่างเนี้ยเวลากับทบมาปับ๊บมีตัวรู้ก่อนมันจะคิดอะไรพอเรามีตัวรู้ตรงนี้กั้นระหว่างกลางปุ๊บเนี่ยสีเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว ก็เรียว่าเริ่มสำรวมอินทรีย์ว่าเออตาเห็นแล้วมันชอบจะคิดเรื่องอะไรหูได้ยินแล้วมันชอบจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเริ่มเกิดการสำรวมขึ้นมาตรว่าพอเห็นปุ๊บกระทบปับ๊บตัวรู้ไม่เกิดขึ้นมาก่อนก่อนที่จะเลยไปคิดนึกคือเราสามารถจะมีสติระ ล, ลึกอยู่กับตัวรู้ได้ก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นการสัรวมที่บางครั้งมันกระทบมาแล้วอ่า แล้วมันคิดนึกมาแล้วแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มันไม่หยุดอ่ะมันไม่หยุดมันไม่เลิกแล้วก็เลยต้องขยับมาสู่กระบวนการที่สองคือถึงคิดอยู่ถึงกระทบอยู่ถึงมีความคิดอยู่ถึงมีอารมณ์อยู่แต่เราไ ม, ม, ออมา่ให้มันออกมาให้มันออกมาไม่เห็มันออกมาถึงแม้มันจะอยู่ในใจก็ตามแต่ไม่้มันออกมาทางหนึ่ง ทางที่จะล่วงละเมิดของศีลทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่สามทางอืมภายในคือทางใจใจที่เสียศูนย์แล้วใจที่เสียศูนใจที่เสียปกติแล้วใจที่ผิดศีลไปแล้วนี่นี่เป็นทางหนึ่งเนี่ยคำว่าใจเดี๋ยวจะพูดพูดให้ฟังว่าใจที่เสียสูนย์เสียศูนย์เป็นยังไงคือใจพอมันเสียศูนแล้วมันผิดปกติแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็หัดห้ามก่อนห้ามวันที่สองคืออะไร ถ้ามันคิดกระทบปุป๊บเห็นปับ๊บมันอยากพูดไอ้ทว่าทางปากเนี่ยต้องระวังไอ้ปากนี่แหละตัวตัวแสบตัวดีเห็นอะไรก็พูดพูพูดพู ด, พดอันนี้ยไม่ค่อยมีศีลก็เห็นปุ๊บเนี่ยถ้ามันเห็นก่อนว่ามันคิดมันจะพูดอะไรหู ป, ปากไว้ก่อนการหูปากไว้ก่อนนี่แหละมันเป็นการสารวมอินทรีย์ชนิดหนึ่งเป็นการรักษาศีลชนิดหนึ่งที่ดีมากๆเลยในบรรดาศีลห้าเนี่ยบรรดาศีลเนี่ย วาจาเนี่ยมีข้อผิดกี่ข้อตั้งสี่ข้อพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยมันมีตั้งสี่อันแต่อันอื่นเขาไม่มีอะไรมากนะเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เอ้ยทางวาจาเนี่ยมีตั้งสชนิดเนี่ยพูดเท็จพูดสออเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเอ๊ะบางทีเราเห็นอะไรก็พูดเห็นอะไรก็พูดพูดมันเพ้อเจ้อ มันตัวเจอเพราะมันไม่ทันไงความคิดมันสั่งมันก็พูดเลยสั่งก็พูดเลยสั่งก็พูดเลยอันนี้มันก็เลยเกิดกระบวนการในการว่าต้องรักษาวาจาเอาไว้ในเมื่อใจมันยังผิดใจมันผิดปกติแล้วก็รักษาวาจาเอาไว้บางครั้งเรารักษาวารักษาวาจาไว้ดีดีใจอันหนึ่งมาอีกคืออะไรทีนี้มันรูัวมันพูดไม่ได้มันทําเลยทีนี้มันลงมือเลยนี่ มันจะหาช่องออกเมื่อออกปากไม่ได้ก็ออกกายออกกายเลยเนี่ยบางทีนะโมองโหปากไม่พูดอ่ะแต่เดินนี่ยลงเท้าตึ้งตึ่งตึ่งว่าโทษนันแหละออกมาแล้วมันออกมาทางกายแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีช่องออกอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าเวลามันเกิดผิดสูงย์ผิดผิ ด, ผดไปจากปกติทั้งใจแล้วเนี่ยมันจะมาข บ, บังคับกายกับวาจาเอาไว้อันนี้แหละจึงไป็นโชคของเราต้องฝึกฝืนจ้ะฝึกฝืนไม่พูด ไม่ทํานั่งนิ่งนิ่งดูมันเฉยเฉยดูซิมันจะทํำยังไงก็เรียกว่าไม่ให้มือไม่ให้มือให้เท้าให้ปากมันดูสิมันจะทํำยังไงอันเนี้ยเป็นช่วงของการฝึกขันติแล้วฝึกอดทนก็เรียกาฝึกฝืนบั่นอย่างเช่นมันอยากสมมติอ่ะมันอยากเนี่ยนะมันอยากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไปเห็นง่ายๆกันอย่างเราเราก in ินกาแฟเนี่ยเราลองดูสิลองฝึกด้วยกินกาแฟปั๊บเนี่ย อยาาพออยากกินปุ๊บมันจะสั่งก่อนอยากที่ถ้าใจหลุดไปกับอารมณอยากรูปเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้แล้วแต่เราเบรกที่กายกับวาจาไว้กายไม่ได้เดินไปหามันจะเป็นยังไงปากไม่สั่งใครทําจะเป็นยังไงแล้วดูที่ว่าอารมณ์มันจะเอาอย่างไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอย่างเดี๋ยวเนี้ยเราติดไอ้เรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมลองดูที่วันนี้กูไม่หยิบแล้วันจะเป็นยังไงวันนี้ลองไม่หยิบกับวันโทรศัพท์สักวันหนึ่งสิจะเป็นยังไงลองไม่หยิบดูสิ เราเอาไว้กันข้างกันแหละเดี๋ยวมันจะเห็นความคิดที่แวบชวนชวนเดี๋ยวเขาโทรมาเดี๋ยวมีเรื่องดันติดต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพลาดข่าวสารนะเดี๋ยวไม่รู้นะเขาเป็นยังไงแล้วมาอยู่นี่เป็นยังไงไม่ได้ใช้อยู่ได้ไม่เห็นมันตายเลยแต่พอมาอยู่ใกล้พวกมันจะมีเหตุผลมีความคิดในการที่จะหวานล้อมจิตพอหว่านล้อมจิตเรียบร้อยปุ๊บจิตไม่ทันอ่ะไม่ทันความคิดมันจึงลงไปสู่การกระทําทางกายกรรมกับวจีกรรมนั่นแหละเริ่มขาดศีล ศีนเริ่มขาดทางนีน้เพราะว่ามันจะเข้าไปทําให้ใจขาดก่อนใจนะศีนทางใจคืออะไรคือปกติปกติคืออะไรปกติของใจคือปกติของการรู้นั่นแหละคือปกติของใจละเราจะไปหาปกติเองั้นเราทุกวันเนี้ยเรามีเราเป็นปกติแลอวเราผิดปกติากว่ากัน เราจะผิดปกติมากกว่าแล้วไม่ปกติปกติของใจคือปกติของรู้นะใจเนี่ยมันเป็นปกติคือมันรู้แต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติคืออารมณ์อารมณนะ์นี่ยเป็นสิ่งที่ผิดปกติที่มันมาอยู่นะ่ยเดี๋ยวมันโกรธบ้างเดี๋ยวมันเกลียดบ้างเดี๋ยวมันชอบบ้างเดี๋ยวมันชังบ้างไอเ น, นี้ยคือสิ่งที่ผิดปกตินี่ถ้าใจเนี่ยมันรู้ว่านี่โกรธนี่เกลียดนี่ชอบนี่ชงังนั่นใจเริ่มมีปกติของใจคือมีสีแล้ แต่ถ้าเผลอเมื่มอไรอ่ะผิดศีลทัน ท, ทีเลยดีนะที่พระเจ้าท่านไม่ปรับเรื่องผิดศีลทางใจนะ่ะถ้าพระเจ้าท้าปรับอย่างศีลห้าส่วนใหญ่ศีลห้าเนะี่ยมันจะผิดศีลทางกายกับวาจาถ้าปรับเรื่องผิดศีลทางใจเนะี่ยโอโคตายเลยพระก็อยู่ไม่ได้โยมก็อยู่ไม่ได้รักษายากนั้น ถ, ถ้ารักษาไอ้ศีลทางใจปกติของใจคือมีต้าที่รู้อารมณ์ และสิ่งที่ผิดปกติคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาน่ะแต่ใ น, นความเป็นจริงแล้วอารมณ์มันเป็นปกติของมันแหละมันก็เกิดมาอย่างนั้นแหละไปอย่างนั้นแหละมันเกิดขึ้นมันอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจเราเข้าไปเสพเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะทําให้ใจเราผิดปกติและเสียสูญเสียสูญลุดพอใจเสียสูญปุ๊บมันก็สั่งกายกับวาจาอันนี้เนี่ยเราต้องทนไงพอมันบิดมันเสียสูญปั๊บเอ้ยหลงไปกับอารมณ์โกรธแล้วแต่เรากลับมาที่กายกับวาจาไว้ ห้ามมันไว้ไม่พูดไม่ทําดูบสิที่จะทํำยังไงอันเนี้ยกําลังต้องกําลังของไอตัวกาลังของตรงนี้คือกําลังของตัวสมาธิจะต้องเข้ามาสนับสนุนถ้ากําลังของตัวสมาธิไม่มีนนะหลุดลุยไปหมดเลยเนี่ยเราไปสังเกตฝึกศึกษากัน ง, ง่ายๆเวลาเราไปฝึกอถ้าไปอยู่บ้าน่ะฝึกศีลดูสิฝึกตัวเองฝืนตัวฝืนอา ร, รมณ์เก่าๆที่เคยทําอะอะไรที่เคยทาลองเลือดูสิมันจะทํายังไง มันจะสั่งเราทั้งวันรักสะกิจเที่ยวไม่ต้องห่วงใหม่ใหมเนี่ยจะสั่งขีมากเลยนะอย่างช่วยเอาอย่างเอาถ้าไม่ถึงเวลาไม่จับโทรศัพท์ดูสิเอาจะทำยังไงเอาไอ้ด้วยถ้ามีใครโทรมาจะไม่จับโทรศัพท์ดูสิเดี๋ยวมันก็จะยันเอา อ, นน อ, นนอันนั้นสำคัญไอ้นี่สําคัญอันนู้นสําคัญอันนันยังไม่ทํามันจะบาจะบาจะมาเราลองดูมันสิหัดดูบ้างหรือหรือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลา เลิกไปปุ๊บพออยู่ใกล้ๆกันปั๊บเนี่ยเราสังเกต ด, ดูที่มันจะพูดอะไรมันจะว่าอะไรมันจะทําอะไรเวลาเราสังเกต ด, ดูทีเวลาเราออกไปปุ๊บพอเลิกปั๊บเนี่ยพอมันมีคําสั่งปับ๊บมันพูดเลยพูดเลยอันเนี้ยผลเนี้ยไม่มีศีลเลยไม่มีศีลทางวาจาเลยเขาไม่ไดสํารวมเลยแต่ <Okay. S 1> ถ้าเราสังเกต ด, ดูเมื่อก่อนจะมานั่งอยู่ใกล้ๆพ่ะฝนะึกกันพออยู่ปุ๊บอ่ะจะพูดแล้วหยุดก่อนเดี๋ยวมันจะพูดอีกหยุดก่อน ในใจนมันพูดไปแล้วในหัวมันพูดไปเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ไม่เอาปากออกเฉยเฉยมันจะพูดอยู่ในหัวคนเดียวเนี่ยถ้นั้นเกตดูมันจะเอาคําพูดขึ้นมาในหัวเนี่ยพูดนู้นพูดนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนู้นมันจะพูดไปเรื่อยเปยื่อยในหัวนะ่ะแต่เราไม่เอาไม่ออกจากปากจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่เราได้ฝึกฝืนจังหวะที่เราได้รักษาพอเราทำํำบ่อยๆเข้าปุ๊ต่อไปจีตมันจะกลับมามันจะค่อยกลับมาเป็นตัวปกติกันเองอีกมันมีหน้าที่รู้มันให้บ่อย รุนใหม่ๆจริป่ะเหมือนเราแพ้คนอื่นแต่ชนะตัวเราเองถ้าด่าแล้วไม่พูดเลยเนี่ยเหมือนรบกว้เขานะแต่ถ้าเราชนะใจเราเองดูซิมันจะเป็นยังไงแต่เราไม่ทาตามมันดังช่วงที่สองเนี่ยไปทำการฝึกฝืนเนี่ยดังสิ่ง ร, บรอบๆตัวคุณฝืนได้หมดเลยอย่างเช่นอ่านคุณอาจจะไปเดินห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยดูซิมันจะอยากซื้ออะไรอ่ามันจะอยากซื้ออะไรไปดูมัน มันจะสั่งไอ้นั่นกะจําเป็นไอ้นี่กะจําเป็นไอ้นู้นก็จําเป็นแล้วเราลองไม่ซื้อสิเดิจะทํำยังไงเดินผ่านวันเฉยๆอ่แะแตเดี๋ยวมันก็จะวนเวียนวนเวียนวนเวีย น, นไปรอบหนึงรอบสองคนสุดท้าย <c oughs> เสียทายจนได้พีโยบางคนก็ฝุดแล้วก็มาบอกให้ฟังนะอาจารย์บอกให้ไปเดินไปห้างสรรพสินค้าแล้วไปดูนะว่ามันอยากอะไรฉันก็ไปดูเรียบร้อยแล้วไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นีนน่อยาก แล้วก็เดินฐานเรียบร้อยแล้วจบกิจแล้วกลับมารอบสองซื้อเกลี้ยงเลยโอ้โหอันนี้นักเกตเห็นให้ดีดีวะ่ะมันจะเป็นกระบวนการเวลาเราคุ้นชินอะไรเนี่ยมันจะเป็นคําสั่งชนิดนั้นแหละแล้วความคิดชนิดจะขึ้นมาง่ายๆแล้วเราชอบเผลอชอบเผลอเนี่ยแต่เรามีสีนะเบรกมันไว้เบรกกายกรรมกับวจีกรรมเอาไว้มนโนกรรมอะ่ะมันอาจจะยังไม่มีกําลังพอปุ๊แต่การเบรกด้วยสีเมื่อไหร่ปุ๊บต่อไปเนี่ยอนอิวระ คำว่านี้วรนคืออารมณ์กวนใจอ่ะจะเริ่มลดลงลดลงตัวอย่างเช่นถ้าเราสมมติว่ะเอาใเราอยากกินกาแฟนะทุกครั้งที่มันคิดเรื่องกาแฟแล้วเรากินเนี่ยมันจะเพิ่มปริเาณมากขึ้นไหมเ <c oughs> นี่ยทุกครั้งที่เรากินกาฟแฟแล้วก็อยากไปแล้วก็กินอยากไปแล้วก็กินอยากไปแล้วก็กินอยากไปกินมันจะกวนใจเราอยู่เรื่อยๆไปไหนมาไหนเด็วก็คิดถึงกาแฟคิดถึงกาแฟคิดถึงกาแฟอยู่น้านเนี่มันกวนใจเรานิวรณ์นินวรณ์ ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาพวกเราทําตามเกิดพุ่นทําตาปุ๊บศีนเราก็ขาดแล้วศีนเราขาดเรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกว่าสบายนะเราทาตามแล้วสบายแต่หารู้ไหมว่ามันฝังเชื้อเอาไว้ฝังเชื้อโรคชนิดหนึ่งเอาไว้คือตามอารมณ์จิตที่ขวังจิตให้เกิดนิสยัยไหลาตามอารมณ์ไหลาตามอารมณ์และนี่แหละคือผลต่อไปเวลาโกรธปุ๊บมันก็จะไหลาตาม เวลาเกลดปุ๊บมันก็จะไหลตามเวลาเราชอบปุ๊บมันก็จะไหลตามเวลาอยากปุ๊บมันก็จะไหลตามมันจะเกิดการไหลตามอารมณ์ง่ายพอไหลตามไปปุ๊บจิตไหลตามปุ๊บปยายกรรมวัจจิกรรมตามไม่เหลือไม่เหลือพอไม่เหลือปุ๊บสีไ ม, ม่มีมมละจบเลยทีนี้แล้วภาวนาไปาบางทีทําดีดีตอนทําอ่ะพอเลิกภาวนาปุ๊บใส่ก็แหลกเลยไม่ดูเอา้าไอ้คนภาวนาที่ว่างกับ ต้องภาวนาทาไงยังไงเขึ้นบึงวะต้่งภาวนายิ่งแย่อแต่บางทีเราก็บอกบางทีนะเราก็ฉลาดนี่นะเดี๋ยวภาวนามาบ้างนะถ้าไม่ภาวนายิ่งกว่านี้อันเนี้ยอันนี้คือคือเงื่อนไขว่าถ้าเราต้องเราหัดในการที่อยากสําสรวมเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเ น, นี่ยเมื่อเราห้ามใจไม่ได้ปุ๊บเราก็ห้ามกายกับวาจาเอาไว้เพราะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะให้รู้เลยว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ย ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มันมีกําลังอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะมันอาศัยกายกรรมกับวิจีกรรมแล้วก็มโนกรรมมันจึงมีกําลังทุกๆอารมณ์ทุกๆความคิดน่ะทุกๆความคิดที่มันมีกำลังน่ะน่าอาศัยสามอย่างนี่แหละเป็นตัวส่งเสริมอะเบียงมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงตัวมันให้มันมีโอกาสมารอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหก จนกระทั่งมันเคยชินจนเป็นนิสัยตัวเองว่าเจ้งตอบโตแบบ้แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยจนตัวเองไม่รู้เรื่องพอไปตอบโต้กลับมาแล้วก็มานั่งโ้อตัวเองอีกซ้ำก็ไปอีก <c oughs> อูไม่น่าทําไม่น่าพูดไม่น่าว่าไปเลยเอาเข้าไปอีกละแต่ไม่ทันหรอกเพราะว่าไอ้ช่วงที่มันอะไรก็ตามที่มันทําจนเคยชินปุ๊บมันจะไวมากมันจะเร็วมากเราสังเกตไหมว่าเวลาเราทํางานอะไรที่ชิ้นงานที่ใหม่ๆเดี๋ยมันจะทํายากและทําลำบากมากเลย จะต้องค่อยๆแกะรายละเอียดค่อยๆเก็บรายละเอียดค่อยๆฝึกรายละเอียดกับมันมันจะยากมากเลยที่จะที่จะให้งานชิ้นด้านออกมาได้สําเร็จแต่พอทําบ่อยๆแล้วเป็นไงตักเดียวคนไหนถ้าคนไหนทาํากับข้าวนี่นะรแรกเขาต้องตวงต้องวัดต้องชงต้องน้ำปลาเท่านี้อะไรที้แต่พอมันทําบ่อยๆเข้ามันชานาญเปันไงเฮ้ยกูจับใส่จับใส่จับใส่พอดีหมดเลยอันนี้เหมือนกัน จิตทุกครั้งที่มันมีอารมณ์แล้วเอากายกรรมวจิกรรมโนกรรมไปเสพมันนี่แหละมันจะสร้างวิบากอันนี้นั้นศีลจึงช่วยลดได้ไงจีงลดได้แต่ศีลจะลดได้เนี่ยก็ต้องอาศัยปัจจัยของสมาธิไปด้วยแต่ตอนเนี้ยแต่ใช้ศีลก็าาการมีสติก่อนสติคือการสัมรู้อินทรีย์รู้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเพราะมันจะมีจังหวะไงเราจึงมาฝึกรู้สึกตัวกันนะ่ะเพื่อให้มันรู้ไว้ก่อนแล้วเอเ น, นี่ยมันอยากแล้วนะ อยากแล้วเราไม่เอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปทําดูซิมันจะทํำยังไงเดี๋ยวมันก็หายแต่ใหม่ๆนะมันจะมากวนบ่อยอารมนั้นน่ะมันจะมากวนบ่อยเออเอาสักพีวะเนี่ยเอาม า, มาแล้วมาแล้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีหลบมะ้ยเรากลับมาเล่นอยู่ฐานกายอยู่ดูวันยิงฐานกายไว้ยิงฐานกายไว้พอบ่อยเข้าบ่อยเข้าปุ๊บมันจะเริห่างห่างห่างห่างห่างแล้วบางทีนะ เราจะรู้สึกเวลาเขาว่าเอา้าทำไมเมื่อก่อนเราโกรธแต่วันนี้ทําไมเราไม่โกรธเพราะเราไม่เคยให้อาหารมันไงนี่งคือการไม่ให้อาหารของอารมณ์แหละทุกครั้งน่ะเนี่เราต้องต้องเอาให้ทันถ้าไม่ทันแล้วรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ถ้ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็ป้องกันไม่ถูกแก้ไม่เป็นเป็นแก้รู้ผลแล้วเป็นผลแล้วแต่การฝึกตรงเนี้ให้มันมีศีลก่อนเนี่ยคือใช้ความอดทน อดมันทนมันไม่เอากายกรรมกับวัจจิกรรมเท่านั้นแหละแล no. roses, <c oughs> mm ้วเดี๋ยวอารมพวกนี้ยมันจะค่อยๆค่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมมันหายไปเร็วจังเข้าใจไหมทำไมมันหายไปเร็วจังอ้าวทาไมเราเริ่มโกรธยากขึ้นรู้สึกว่าเขาพูดอย่างนี้เอาทําไมเราเฉยเฉยเนี่ยเพราะมันเริ่มมันเริ่มที่จะไม่เอากายกรรมวัจจิกรรมมโนกรรมไปไปทําตามแต่ว่ามโนกรรมเราก็ฝึกรู้ไปเรื่อยๆรู้เรื่อยเพื่อให้มันสู่ภาวะปกติของมัน ปกติของมันคือรู้เนี่ยคือนี่คือปกติแหละ ร, รู้อย่างเฉยเฉยรู้อย่างชื่อซื่อรู้อย่างตรงๆรงรู้อย่างสบายสบายรู้อย่างง่ายๆรู้อย่างที่มันสิ่งนั้นมันเป็นเนี่ยแหละเนี่ยแื่ปกติปกติของมันคือคือนี่นะที่รู้ถ้าเลยจากนั้นไปเราผิดปกติหมดแหละเ <c oughs> นี่ยพอผิดปกติพวกผิดศีลทีนี้ปกติเนี่ยเป็นศีลทางภายในยศีลทางภายในใจอ่ะ มันจะทำหน้าที่ตรงเองอย่างตรงๆร ง, ตรง <c oughs> แต่ทุกวันเนี้ยเราผิดศีลไม่รู้เรื่อยเรื่อยพอเราเห็นการตุบเราก็พูดแล้วเห็นพูดเราพูดแล้วเห็นอะไรก็พูดแล้วบางทีก็พูดคนเดียวมันไม่ว่าพยายามอะไรปุ๊บมันก็บ่นพึมพำพึมพำพึมพํา ม, ม, ม, ม, ม, มันคนเดียวแหละแต่จะมีเพื่อนข้างๆด้วยเนี่ยระบายเป็นอืระบายเป็นรัวเป็นเป็ น, นกลนเลยแหละเนี่ยแต่อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะพูดไปเรื่อยแต่ถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าใช้ความอดทน อดทนฝืนฝืนมันเหมือนเอามาทีนี้ทีนี้ฝืนๆๆๆมนเรื่อยๆฝืนมาเรื่อยๆบางทีอาจจะมาทีนะทําๆนะนั่งอยู่เนี่ยไม่มีงานหรอกแต่มาสร้างจังหวะเดินจงกรมเมื่อไหร่จะงงานมาเต็มหมดเลยอันนี้นมยังไม่ทำอันนี้ยังไม่ทํำอั น, นั่นยังไม่ทำซาลาผัดมันจะมาหลอกเราเขาเรียกว่านี่วอรนตัวเนี้ยถ้าเราลดได้บ่อยๆบ่อยๆเรื่องกวนใจจะค่อยๆหายไป การสํารวมอินทรีย์คือสํารวมสามตัวเนีกายกรรมต่อวจีกรรมบ่อยๆเข้าแล้วมโนกรรมที่มันค่อยๆแยกตัวเองออกมาจากอารมณ์เข้าอ่ะเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆทั้งหลายท่านพวงอะมันจะไม่ค่อยเกิดมันจะไม่ค่อยเกิดเรื่องนิวรณ์มันจะลดลงไปแลเวลาเราจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายามสํารวมระวังดีๆไม่ใช่เราฝึกอู่ตัวจังหวะดีๆล่ะ พอรู้จักการสร้างจางาังหวะเดินจงกลมหลุดจากรูปแบบหลุดไปหมดเลยเนี้ยเดี๋ยวก็ไปเดินจงกรมสังเกตดูไหมเวลาเราพูดกับใครนะเราไปเดินจงกลมสิไอ้คำพูด no, นั่นขึ้นสังเกตดูไหมล่ะคุยคๆก็แม่มันต้องคุยอย่างนี้สิคุยอย่างนั้นสิเรื่องที่ยังไม่ได้คุยเลยเอาเอาละอยู่ในทางจงกลมน่ะฟุ้งอยู่คนเดียวแล้ฟุ้งอยู่คนเดียวเพราะมันไม่ทันมันน่ะเผลอไปพูดแล้วทีนี้มันก็จะสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวจีกรรม ผู้หญิงเนี่ยชอบเป็นเยอะผู้หญิงเนี่ยชอบพูดเยอะต้องระวังดีๆวจีกรรมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันอยากจะพูดสิบเรื่องอ่ะพูดมันสักเรื่องเดียวพอให้ดูมันที่เหลือดูมันดูมันดูมันดูมันดูมันเฉยๆไม่ได้ไปอะไรกับมันศึกษาดูมันเน่จะเห็นอะไรแล้วพูดเรื่อยพูดเรื่อยพูดเรื่อยอันเนี้ยมันไม่ค่อยจะจะมีสินทางวจีมันไม่มีไม่ค่อยเกิด แล้วนิวรณในใจก็จะมาเรื่อยๆความคิดทําไมความคิดมันเยอะนี่แหละคือเหตุปัใจจัยให้ความคิดมันเยอะเราเราคิดปุ๊บเราก็พูดคิดปุ๊บเราก็พูดคิดปุพูดเราไม่มีการสํารวมกันเป็นศีลไงแต่ถ้าเรามีการระวังตัวรักษาตัวนะเป็นการใช้ศีลคือการมีสติแล้วก็พัฒนาการอดทนขึ้นมาอดทนไม่พยายามที่จะสู้กับอะไรไม่พยายามที่จะฝื้น ถือมันไม่ทําตามโดยการระวังแค่กายกรรมกับวจีกรรมมนโนกรรมสามอย่างเนี้ยมนโนกรรมอาจจะระวังไม่ค่อยได้เพราะว่ากําลังของสมาธิสติกับสมาธิยังไม่พอปะระวังที่กายกรรมกับวจีกรรมไม่ได้ก่อนไม่ทําสักอย่างแล้วมันจะเป็นยังไงลองดูมันบ้างเขาเรียกว่าหัดเป็นเด็กดื้อเสียบ้างอย่าไปเชื่อคําสั่งของสมองบ่อยๆเห็นอะไรแล้วสั่งหมดสั่งหมดอ่ะเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายหัดบ้าง บาทีนี้ยเป็นเด็ก ว, ว่าน้องสอนง่ายยังไงก็อสอนให้โกรธก็โกรธก็อสอนให้อยากก็อยากก็อสอนให้ชอบก็ชอบก็อสอนให้ชังก็ชังก็อสอนให้อิจฉาที่เสียก็อิจฉาที่เสียก็อสอนให้เบื่อก็เบื่อเบื่อไม่พอบอื่ออีต่างหากเนี่ยมันสอนอะไรก็เชื่อมันหมดเนะ่ยมันไม่เคยหัดนั่งหรอหัดเป็นเด็กดื้อซะบ้างเวลาอารมณ์มันมาปุ๊บมาปุ๊บลองอย่าทําตามมันแล้วดูซิจะเป็นยังไง เช่นเช่นมันจะเกิดได้ขึ้นมาปุ hang, aroo, hang, Truly, ๊มันอยากอยากไปแต่เดี๋ยวอย่าไปทําตามอย่าเอากายกายกรรมกับวัจจิกรรมไปทําตามเด้๋ยแล้วก็กลับมาที่ฐานเนี้ยกลับมาฐานปัจจุบันเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะหลุดง่ายถ้าเราอยู่ฐานปัจจุบันนะอารมณ์ต่างๆจะหลุดง่ายมารมณ์จะหลุดง่ายจะหายไวเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไหลลื่นอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งแต่ว่าอารมณ์ภายในเนี่ยมันจะแช่อยู่ในภาวะเดิมก็มาเรื่อยๆคือมันจะ ลงโรคเดิมมันใช่ไหมสังเกตดูนะแล้วมันอยากกินกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวก็เวียนขึ้นมาคิดเดี๋ยวเดี๋ยวก็เวียนขึ้นมาคิดมันจะลงอยู่ในรอบในรอบเดิมมันแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นตัวไหลเรืยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยถ้าเราอาศัยการรู้ที่ระขณะในปัจจุบันไปเรื่อยไปเรื่อยปุ๊บเยมันจะผ่านอารมณ์ได้ง่ายเพราะจิตมันจะเริ่มเรื่อเจาะรูร่วให้ใจให้มันดีก้นให้มันโกลมให้มันโล่งให้มันหลุดให้มันทะลุอย่าไปเก็บกักเอาไว้ อันนี้อันหนึ่งแล้วลองไปหัดดีๆเลยนะหัดศีลวันเนี้ยหัดยังไงหัดให้มีความอดทนศีลมันมันอยากเลิกอย่าเพิ่งเลิกมันยังไม่ถึงเวลามันอยากหยุดอย่าเพิ่งหยุดยังไม่ถึลามันอยากพูดอย่าไปพูดดูมันสิ้นจะทําไงมันอยากจะทํานู่นนี่นั่นอย่าไปทําดูสิ้นจะเป็นยังไงลองดูมันสิ่นจะเป็นไงเนี่ยมันร้อนเนี่ยอาจจะยัร้อนๆเนี่ยมันอยากพัดลองดูสิ่งจะพัดอ่ะมันจะเป็นยังไงดูซิ้นจะตายไหมอย่างเงี้ยต้องต้องหัดนะ เนี่ยบาทีร้อนปุ๊บอะไม่เริ่พัดแล้วพอไม่พัดน่ยต้องดูที่มันจะบ่นยังไงมันจะอึดอัดยังไงเวลามาแรงมาเนี่ยโอ้ยตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนี้ก็จะเดินอยู่ตรงนี้มจะเป็นยังไงลรอกตัวเนี่ยเวลาเดินขึ้นมาเดี๋ยวก็มาแรงบินชนตาชนตาชนตาโมโหย้ายไปตรงโน้นที่ฝันก็ตามไปอีกอยู่ตรงเนี้ยดูทิ้งจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยบางทีมันเอากายเอาวาจาไม่ได้ก็เอากายกรรมเนี่ยมันจะเขาอยากสั่ง สั่งกายไม่ได้ก็สั่งวาจาสั่งวาจาไม่ได้ก็สั่งกายสั่งถ้าสั่งกายสังวาจาไม่ได้ก็สั่งใจสั่งใจแต่ถ้ากายกรมกกรมวิจกรรมนรกกรรมมันสั่งไม่ได้นะมันก็จะสลายตัวเร็วกายก็ไม่ทําวาจาก็ไม่ทาใจก็มารู้มันซะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเร็วผ่านไปเร็วแต่ถ้าทําตามมันนะมันจะคอยออกมาเรือ่อยๆเพราะเราให้อาหารมันนี่สังเกตไหม ถ้าเราจะเลี้ยงหมาเราให้อาหารหมาที่หมาก็มาหาเราแหละถ้ามากี่ทีกี่ทีแล้วเราไม่ให้มันมันจะมามันจะหาเราไหมวันกูมาหาคนนี้กูไม่ได้กินหรอกแล้วมันจะมาไหมอารมณ์ในใจก็เหมือนกันนั่นแหละมันเหมือนหมานั่นแหละมีอะไรหรอกคุณไม่ให้มันบ่อยๆมันก็มากวนคุณบ่อยๆมันก็เลยเป็นนิวรนคาใจพอนิวรนมาปุ๊บสมาธิก็ไม่ค่อยเกิดเนี่ยที่คือเหตุปัจจัยของมันแหละอย่าให้อาหารมัน เนอ่แต่อย่าปฏิเสธมันหมามันต้องมาแต่แค่ไม่ให้อาหารมันเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันไปเองแล้วต่อไปมันรู้เลยครูวิ่งเจอคนนี้ครูไม่ได้กินแน่มันแค่วิ่งผ่านผ่านผ่านผ่านฉันใดก็เหมือนกันใจอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนหมานั่นแหละเนี่ยแล้วเราเอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปให้มันอะไปสมยอมกับมันนั้นเราก็ให้อาหารมันแหละมันก็มาบ่อยสิ มาบ่อยแล้วก็ต้องเดือดร้อนกับมันไหมเนี่ยมาเดี๋ยวมันเป็นสัตว์มันก็กัดกระแหลกลานอีกเดี๋ยวเป็นเห็บเป็นหมัดมันก็มาด้วยเดี๋ยวมีขี้มันเี้ยก็ต้องล้างอีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันเลยพอเราตกเป็นข้าอารมณ์เราก็ต้องรับที่ิบากของอารมณ์อยู่นั่นแหละไม่เลิกแต่ถ้ามีสินะไม่ทำไม่ทํานี่อุปมาณะถ้าสงสารมันก็ให้มันบ้างเห็นเรื่องหมาเลยนี่อุปมาวณะแต่ข้างในอะอย่าไปสงสารมันเลยสงสารตัวเองให้มากไอ้ข้างในนี่นะ อย่าไปสงสารเราพวกนี้นะแล้วเราเราตั้งใจดูดีๆวันนี้ต้องฝึกให้มันให้เราไม่ต้องสงสารยุงที่ม<ะ>ันนะยุงไม่ต้องสงสารมันหลอกแต่อย่าไปตบมันเท่านั้นเองแค่ไล่มันไปเออแต่เผือตายว่างมาช่างมันเอาไล่ไปใจะโอ้เมตตาให้มันการมันจะได้มีชีวิตที่เป็นสุขแต่คุณลจะทุกขจะตายจนะ เ, ยเกิดโรคไข้จะตออกซวยอีกเออ ยุ่งก็เหมือนกับอารมณ์มันแหละไล่ไล่มันไปป้องกันตัวเองไว้เช่นเวลาเราฝึกปุ๊บเราจะมีวิธีการเล่นหลายอย่างเช่นฝึกแล้วพอฝึกฝืนปั๊บเนี่ยควรจะทํายังไงแต่เราจะตรวจสอบได้แล้วเออเรื่องนี้ควรทํานะเป็นกุศลนะเราก็ทําเรื่องนี้มีควรทานะเป็นอกุศลนะเราก็เลิกเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบมันโดยการตั้งตรงนี้ปุ๊บแล้วปัญญาไอ้การตรวจสอบก็คือตัวปัญญานั่นแหละ ศีลมันจะมาสมาธิคือตั้งมัน่นปัญญาก็จะเลือกยากว่าควรทําไม่ควรทําควรเฉยไม่ควรเฉยและเฉยยังไงไม่เดือดร้อนมันมันจะรู้ของมันอยู่แต่ฝึกศีลขึ้นมาก่อนให้มันกําจัดนิวรณ์เพื่อปัจจัยสู่สมาธิที่ตั้งมัน่นอ่อนโยนไม่หวั่นไหวกับอารมณ์แล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการขาั้นขั้นที่สามคือไม่มีเจตนาไรเจตนาไร้การกระทำมีแต่ จ, จิตที่เป็นอุเบกขากับทุกเรื่องราว นี่แต่ขั้นตอนที่สองเนี่ยสีเนี่ยมันสนุกถ้าฝึกแล้วมันได้สู้กับตัวเองอ่ะได้สู้กับอารมณ์ตัวเองได้เอาชนะตัวเองอื่นชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนน่ะไม่เท่ากับชนะตนทีเดียวการชนะตนเนี่ยมันทําให้จิตเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่อ่อนแอเละเทะไปกับอารมณ์มากนะนัการฝึกแบบเนี้ยการฝึกแบบมีสีเนี่ยบางทีมันก็แพ้มัน แต่แพ้นั้นจะรู้ความหมายของการแทนไหมอ๋อเราเสียท่าเราสังเกตเหตุปัจจัยไหมว่ามันแพ้นอะ่ะเพราะอะไรอ๋ออยู่ในใจแวดล้อมแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางที่อยู่คนเดียวไม่เป็นไรไปอยู่ในหมู่่คนฝูงเนี่ยอาจจะแพ้เขาไหลไปกับเขาอีกเอ้าตั้งใจใหม่อนี่ยตั้งใจใหม่ไม่เป็นไรแต่ตั้งใจใหม่มใจใมําเอาไว้แล้วตั้งใจใหม่ระวังใหม่ชนะบ้างชนะก็ไมยอเหลืองว่าครั้งนี้เราชนะชนะแนละ้วจะชนะเรื่อยเดี๋ยวมันก็อยากหามุมใหม่มาหลอกล่อเราอีก แพ้บ้างชนะบ้างแต่ขอให้รู้ว่าแพ้เป็นยังไงชนะเป็นยังไงมันจะได้ทําให้จิตเนี่ยเติบโตขึ้นมาในการฝึกมันจะทําให้จิตเนี่ยได้ไ ด, ได้ได้มีความเข้มแข็งในการศึกษาโครงสร้างของชีวิตโครงสร้างของอารมณ์โครงสร้างของเหตุปัจจัยที่จะมาประกอบเป็นอารมณ์แล้วก็วุ่นวายกระจเรายังไงแต่ทำว่าใจเราฉลาดแล้วเนี่ยใจเราจะรอบรู้ในกองสังขารแล้วเท่าทันมันเมื่อเท่าทันมันปั๊บเนี่ยมันจะทําอะไรเราไม่ได้ เหมือนเราเหมือนเรารู้อ่ะใครคําว่าต้มเราแล้วอ่ะเราจะโดนใครเขต้มไหมมันมาต้มมาหลอกลวงเราเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเปเหยื่อมันไห ม, มที่เราเปเหยื่อทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้ความจริงว่ามันคืออะไรนะต่อไปมันจะมาต้มกูเท่าไหร่เฮ้ยมึงมาต้มกูหรอกไม่เอาหรอกกูรู้ม่แต่มาหลอกกูหรอกอรมันจะเอารู่มาเสนอนี่ยมาเสนอกูรู้ลึกๆมึงซ่อนอะไรไว้ หน้ามันยิ้มแย้มแจ็มใสต่ข้างหลังมึงซ่อนนี่แต่ว่าจะเสียบมึงนี่รู้ไม่เอาอย่างเงี้ยพอมันเข้าใจผู้อารมณ์เนี่ยบางทีนะมันมาเหตุผลดีดีมึงเกตียแต่มันจะมีลักษณะอยู่สามสี่อย่างหนึ่งบางทีมันบังคับเลยบางบังคับขู่เข็นเลยมึงต้องทํำไม่ทําไม่ได้บีบคั้นขู่เข็นเคี่ยวเข็นให้ตายเลยแหละมันจะเอาให้ตายเลยต้องทํำนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือมันมาแบบอ้อยอิง มาแบบเหมือนกับมิตรมาแบบเหมือนญาติดีมาแบบเมืนเพื่อนดีมาแบบเมืนเพื่อนรักโอ้ยเนี่ยมาอย่างดีเลยแล้วก็เผลออีก อ, อันหนึ่งคืออะไรมันมาด้วยเล่ห์เหลี่ยมเหตุผลประกอบเยอะแยะมากมายเลยความจําเป็นขึ้นมาเต็มมาเลยพอเราทําเสร็จเรียบร้อยกูไม่เห็นสาคัญเลยเนี่ยมันจะมาแบบเนี้ยบ่อยๆบางทีมันเอาซื่อๆตรงๆเลยนะบางทีมันก็เอาแบบอ้อม แต่เร า, านั่งดูมันดีๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหอัไหนบางทีมันเอาทื่อๆตรงๆเนี่ยมันบีบคั้นมากๆคนดูตายเอาสิแล้วไปถามตามมันมันจะเป็นยังไงใครจะตายเอาถ้าหลายคนไม่เข้าใจไงเวลาที่เขาฆ่าตัวตายอ่ะเขาเกิดภาวะที่มันเอาแบบบีบคั้นแล้วหาทางออกไม่เป็นมันเลยต้อตรงระบายไปสุดทั้งร่างกายแต่ถ้าเราส่วนอยงนี้ปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันบีบคั้นทางนั้นใช่ไหมก็ามาอยู่กับร่างกายซะจะพาใจมาอยู่กับร่างกายซะอยู่กับร่างกายอยู่กับปัจจุบันซะไอ้คนนั้นก็อ่อนกําลังลงไป มันรู้จักจิตมันรู้จักโยกย้ายตัวเองจำมันฐานร่างกายใชฐานปัจจุบันใะไอพวกนั้นมันเป็นอารมณ์อดีตอนาคตเดี๋ยวมันมาแล้วเราไม่เคยทําตามบ่อยๆเขามันจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วเราจะอยู่กับมันได้ง่ายอย่าให้อาหารมันแต่อย่าปฏิเสธมันอย่าไปชวนทะเลาะอะไรกับมันทั้งนั้นแหละอย่าตามอย่าต้านแต่ยอมรับมันเออมันเป็นอย่างเนี้ยแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เราไม่ได้เข้าไปร่วม นั้นตัวเนี้ยสำคัญที่สุดคือตัวสติกับศีลพอสองตัวเนี้ยจะเป็นปัจจัยส่งต่อสมาธินะขอให้พวกเราตั้งใจเร้อ